เจริญพรผู้สนใจธรรมะทุกท่านทุกคนวันนี้สังเกต ด, ดูมีเด็กเดกลูกหลานเยอะเนาะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าอยากจะเล่าวนิธานนะให้ลูกให้หลานฟังแต่ว่าถ้าลูกหลานฟังได้นี่ไม่ต้องห่วงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องฟังได้ลูกหลานอาจจะตีความอย่างหนึง่ง พร้ผู้ใหญ่อาจจะตีความไปอีกอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสติปัญญาของใครจะลึกซึ้งกว่ากันเ mm hmm. นาะในรายการวิทยุที่ธารมภาพจัดคือรายการการเดินทางของความคิดนะ 96.5 กับคุณสันเส ร, ริญปัญญาที่บ่ทุกคืนวันจันทร์พุธศต์คืนไหนก็ตามที่เอานิฐานไปเล่าเนะ <S <S าะญาติโยมชอบกันมาก บางคืนพอเริ่มต้นรายการปั๊บยังไม่ทันได้พูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเลยยอมบอกพระอาจารย์เล่านิทานนิทานนี้แต่เรื่องที่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนก็ชอบและไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่า น, นั้นที่ชอบนะทั่วโลกทั่วโลกชอบนิทานดังนั้นนักเล่านิทานจึงมีกันทั่วโลก พระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นสุดยอดของนักเล่านิทานอิสอปันจะเล่านิทานนะแล้วก็หลายๆายคนที่เป็นนักเล่านิทานเอเดน ส, นนสันนั่นจะเล่านิทานสองพี่น้องะกูลกิมมันจะเล่านิทานแต่ท่านเหล่านั้นเมื่อเล่านิทานก็ไม่กี่สิบเรื่องแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเล่าไปประมาณห้ารอยห้าสิบเรื่อง จึงเป็นที่มาของคำภีพระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าห้าร้อยชาตินี้ก็หมายความว่าชาดกต่างๆที่พระพุทธเจ้านำมาเล่านะ1นหนึ่งชาดกก็คือหนึ่งชาติดังนั้นไม่มีใครที่จะเป็นนักเล่านิทานที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าของเรานิทานหลายๆเรื่องที่ธรรมค้าได้อ่านตั้งแต่ยังเป็นน้อยนะ จนทุกวันนี้เนี่ยเมือ่อโตขึ้นอาตมาก็อยางชอบเช่นนิทานเรื่องหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนำมาเล่าต่อเล่าเรื่องของคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งถ้ามหากราสพระองค์หนึ่งนี้มีม้าแสนรู้อยู่ฝูงหนึ่งประมาณสักห้าร้อยตัวอยู่ต่อมาคนเลี้ยงม้าของพระองค์นั้นเสียชีวิตไปจึงรับสมัคร คนเลี้ยงม้าคนใหม่เจ้าคนเลี้ยงม้าคนใหม่นี้มีทักษะในการเลี้ยงม้าที่ดีมากแต่ในบทสัมภาษณ์นั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังลืมสัมภาษณ์ไปว่าคนเลี้ยงม้านอกจากจะเลี้ยงม้าเก่งแล้วมีข้อเสียอะไรบ้างลืมไปดันั้นเมื่อให้คนคนนี้มาเลี้ยงมา้าภายในอาทิตย์เดียวเท่านั้นม้าทั้งฝูงของพระราชาเดินขาเป๋ทั้งฝูงเลย คุณยอมรู้ไหมเพราะอะไรเจ้าคนเลี้ยงม้านี่มันเป็นขี้เหล้ามันต้องกระดกเหล้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นกลางคืนพอมาเข้าคอกเสร็จพับมันก็กินเหล้าเดมเหล้าตอนเช้าตรูก่อนจะไปเลี้ยงมา้าไปไปสอนมา้ามันก็กระดกเหล้ามันก็ดืดมเหล้าแล้วก็กลิ่มกลิ่มได้ที่แล้วความสามารถแกก็จะดีมากนะมันคึ ก, กะนะฮะ เวลาที่ม้าเจอม้าพยศเนี่ยไม่รู้ว่าระหว่างม้ากับคนใครพยศกว่ากันนะทีนี้ม้าของเขาดีๆตั้งห้าร้อยตัวเนี่ยอยู่กันมาดีๆเวลาสวนสนามโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยทุบนะเจ้าคนเลี้ยงมา้าคนใหม่เข้ามาทิ้ดเดี่ยวพอไปสวนสนานปับ๊บเป๋นงฝูงเลยเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเจ้าคนเลี้ยงมา้าเมื่อเขาดื่มเหล้ากลุ่มๆได้ที่แล้วเขาก็จะเดินนําหน้ามา พอเขามาว่าเล่าแล้วเซซ้ายม้าทั้งฝูงเอียงซ้ายตามคนนะพอเขาเซขวาม้าก็เอียงขวาเพมันหกล้มหน้าเข้ามามะก็เอาหน้าซุกดินมา้าทํำตาม ท, ทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นม้าแสนรู้ใช่ไหมปรากฏว่าภายในอาทิตย์เดียวเท่านั้นม้าทั้งฝูงเสียศูนยหมดเลยเห็นไหมเมื่อถึงเวลาเดินสวนสนามพระราชามาถ้อยพระเนตรตกอกตกใจว่าทําไมม้าของฉันมันเสียศูญย์กันหมดเลย เกิดอะไรขึ้นไวรัสอะไรมันลงที่ปู๋งมาหรือเปล่าก็เลยให้ตำรวจไปตรวจสอบดูไม่พบไวรัสไม่พบว่าม้าป่วยสุดท้ายก็เลยบอกตำรวจเอาไม่อยู่ก็เลยไปบอกราชบัณฑัติราชบัณฑิตก็เลยไปตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆโรงเลี้ยงมาง้าวกสังเกตยอยู่สามวันก็จึงได้ค้นพบสาเหตุที่มากลายเป็นม้าเสียสูญทั้งฝูงเพราะเจ้าคนเลี้ยงม้านั้นเป็นที่เล่า นำเรื่องไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็เลยสั่งสอดคนเลี้ยงมา้ารับสมัครเจ้าคนเลี้ยงม้าใหม่ทีนี้ส่งมาจากโรงเรียนในร้อยเลยโอ้โหเดินจงนิ้วเหมืเคยเห็นนักเรียนในร้อยเดินไหมนะถ้าเขาสวมหมวกใส่เครื่องแบบขาวแล้วถือกระเป๋าเจมบอล น, นะเดินนิ้วเลยนะพอได้คนเลี้ยงมา้าคนใหม่มาปั๊บเนี่ยเนื่องจากฝึกมาอย่างดี อ, อกผายไหลถึงมาเดินนาหน้ามา้า ภายในอาทิตย์เดียวม้าทั้งฝูงอยู่ในเริ่มเบียดวินไหน้ทำอะไรไปทุกอย่างเมื่อถึงเวลาสนสนามม้าทั้งหมดแสดงแสนยานุภาพของกองทหารมาให้พระราชาทอดพระเนตรเป็นที่ประทับจิตประทับใจมากพระราชาก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมม้าของข้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกเรเกตุงทั้งฝูงเลยแต่อาทิตย์นี้ทำไมเนี่ย ดีงามลําเลิศเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งฝูงท่านฝึกได้ยังไงพระเจ้บาบดิตก็เลยบอกว่าม้าเหล่านี้เป็นม้าดีมาแต่ต้นแต่อาทิติผ่านมากลายเป็นม้าที่ไม่มีระเบียบวิไไนัยเพราะได้คนเลี้ยงม้าขี่เหล้าอยู่กับคนเลี้ยงม้าขี่เหล้าเม้ม้าไม่ได้ดื่มเหล้าก็มีอาการดังคนที่เหล้านี่คิดให้ดีๆนะ อาทิตนี้ได้อยู่กับคนเลี้ยงม้าที่เป็นบรรด็ดก็มีอาการดังหนึ่งเป็นบรรด็ดอยู่ในระเบียบในวิ น, นัยถ้าราชาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ดีเหลือเกินเนาะจึงกล่าวสุภาษิตขึ้นมาว่ายังเวเสวติตาทิโสรู้ลูกแปลออกไหมภาษาอะไรลกภาษาอะไรภาษางกือภาษาฝรั่ง ยังเวเสุวัติตาทิโสแปลว่าคบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นเห็นไหมหมานี่มันไม่ได้กินเหล้านะแต่คนเลี้ยงมันกินเหล้าใช่ไหมและหมาเป็นยังไงเป๋ไหมหมาก็เป๋ไปด้วยแต่ไปอยู่กับบัณฑิตบัณฑิตมีระเบียบวินัยไหมมีระเบียบวินัยไหมหมาก็มีระเบียบวินัยตามไปด้วยนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องถามเดู๋นะว่าเรานี่ เป็นคนเลี้ยงม้านะนี่นนั่งอยู่นี่คนเลี้ยมาางม้าเท่านั้นนะเนี่ยนี่ม้าเขาลีกิจตัวเนะี่ยดูหน้ามา้าแต่ละตัวสิเ <c oughs> นี่ยลูกๆของโยมนี่หน้าม้าหมดนะเนี่ยจะดูพ่อดูแม่ว่าเป็นยังไงไปดูที่มา้าไปดูที่มา้าประเมินได้เลยนะ <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นในหนึ่งม้าเนี่ยมม้าตัวเมียม้าตัวผู้เห็น ไ, ไหม <c oughs> จะดูพ่อดูแม่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูอะไรมากนะ ไปดูม้าแต่ละตัวว่าแสดงออกเป็นยังไงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยต่อหน้าพระอาจจะแอบแบลได้นะเรียบร้อยในชะ่ไหมเออแต่ไปคุยกับลูกสามนาทีก็รู้เรื่องแล้วว่าดีไม่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่อย่างไรม้าของพ่อแม่คือลูกล ก, ก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าเราเป็น คนเลี้ยงม้าที่ดีหรือไม่ดีถ้าคนเลี้ยงม้าดื่มเหล้าลูกมีเนื้อนอจะเดื่มไหมเดืม่มถ้าคนเลี้ยงม้าไม่เดืม่มลูกก็ไม่เดือดถ้าคนเลี้ยงม้าเป็นคนที่ใจคอโหดร้ายปากจับใช้ความบุนแรงลูกจะเป็นไหมลูกหม้าก็เป็นถ้าคนเลี้ยงม้าเป็นคนใจบุญสวนทานม้าจะเป็นยังไง ม้าก็ใจบนสวนฐานนี่ทุกท่านถ้ดูให้ดีๆนะม้าของตัวเองเนี่ยบางทีโคอกหนึ่งก็มีหลายตัวนะกลับไปดูแลม้าของตัวเองให้ดีๆนะเพราะว่าคนเลี้ยงอย่างไรม้า ก, ก็เป็นอย่างนั้นมือทุกตัวเนี่ยแต่มาภาพเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเป็นม้าแสนรู้นะสอนได้นะทีนี้พ่อแม่ที่จะสอนม้าแสนรู้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่เสร็จอะไรไหม มีนะพ่อแม่มีสี่ประเภทนะคุณผูมนะพ่อแม่ซึ่งเป็นดังคนเลี้ยงม้านี่มีสี่ประเภทเรามาตรวจสอบกันดูนะให้คะแนนกันเองว่าเราเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนเลี้ยงม้าประเภทไหนคนเลี้ยงม้าประเภทไหนก็จะได้ม้าประเภทนั้นหนึ่งพ่อแม่ที่เป็นมารหมายความว่าเมื่อให้กําเนิดลูกมาแล้วเป็นมารกับลูกเป็นมารก็คือเป็นพยามารคอยบันทอนให้ลูกตกต่ํําย่าแย่ ให้กรเนิดโลกมาแล้วทำลายโลกตบตีโลกกลมเหงรังแกโลกหรือแม้กระทั่งฆ่าลูกกดทิ้งลงชั่วครอเหล่านี้นะเขาเรียกว่าพ่อแม่ที่เป็นมารหรือพ่อแม่มารสองพ่อเป็ดแม่เป็ดคุณยมเคยเห็นเป็ดไข่ไหมเป็ดนี่เวลาเราไปดูไปดูที่ที่เขาเลี้ยงเป็ด น, นนะเราก็จะเห็นว่า เป็ดมันนึกจะไข่มันก็ไข่ทิ้งตามสนามนะทิ้งตามสนามตามสวนแล้วตื่นช้ามาคนเก็บไข่เป็ดเอากระจาดเอาตะกร้าไปไปเก็บไข่เป็ดนะเป็ดนี่มันนึกจะไข่เมื่อไข่มันไม่สวนหรอกว่าจะอยู่ตรงไหนรังมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมไข่เรี่ยราดไปพ่อแม่บางประเภทก็เหมือนกันนะไข่ทิ้งไป็ทั่วเลยนะไข่ทิ้งตรงโน้นไข่ทิ้งตรงนี้บางทีไข่เรียบร้อยแล้วบางทียังไม่ไข่ แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อบางทีใครออกมาแล้วก็ต้องตัวจดีเอเราก็ไม่รู้เนอะเนี่ยมันยุ่งอย่างนี้เนอะเห็นไหมมันเยอะนะประเภทนี้เนะโอ้มีปัญหาเยอะจริงๆอาตมาที่ที่สุนทรีพัฒนาออาตมาที่จงนะังไรนมีหมาอยู่แต่หมามีหมาอยู่สี่ตัวตอนนี้ตัวหนึ่งท่านปัญหาขึ้นมานะตัวแรกเนี่ยชื่อซูเปอร์สตาร์ตัวนี้เป็นโกลเด้นวีชิฟเวอร์ เป็นหมาที่ที่ไฟในศิลในธรรมเวลาแขกไปใครมาชอบต้อนรับอาตมาจึงตั้งชื่อว่าซูเปอร์สตาร์เพราะว่าเขาชอบถ่ายรูปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนในยการของช่องเจ็ดไปบันทึกเทศโทรทัศน์จะสัมภาษณ์อาตมาเอาเก้าอี้ตั้งให้พระนั่งอาตมาเดินไปหมามันวิ่งขึ้มานั่งนั่งก่อนอาตมานะนั่งก่อนอาตมา อาตอมาก็เลยเออถ่ายรูปเก็บไว้ตอนนี้ก็เอาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแล้วก็ตั้งชื่อรูปนั้นว่าอย่ายึดติดกั้าอีนนะครับ <c oughs> เห็นไหมมาตัวนี้นี่สอนอา ม, มาได้ไม่เร็วนะอืมอีกตัวหนึ่งชื่อโอบามาเพราะว่าลูกศิษย์เอามาถวายในช่วงที่โอบามารณรงค์หาเสียงเพื่อจิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วอาตมาอาตอมาเป็นคนที่ชื่นชมโอบามาเพราะเขาสู้ชีวิตนะ อาตมาก็เลยเอาเอาชื่อคนดังคนเนี้มาตั้งเป็นชื่อหมาอาตมาฉะนั้นอาตมาไม่ต้องไปอเมริกานะทุกวันอาตมาลุ่งโหมดบม่านะเจ้าบ <c oughs> มานก็เป็นหมาที่ทำหน้าที่เป็นองครักษ์ให้อาตมาเวลาไปไหนไมันก็เดินตามหนระือคอยดูคอยแล่ทีนี้ตัวที่มีปัญหาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหมาไทยแท้ๆเลยอาตมาไปเทศที่เชียงใหม่แล้วโยมเอาหมามาติดกันเทศโยมเคยเห็นไหมคร <c oughs> <c oughs> ั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะ เทศเสร็จแล้วเนี่ยแทนจะมีอะเข้าสารอาหารแห้งใช่ไหมเป็นนมเป็นมามา่าเป็นปัจจัยไทยธรรมชีวอนดอกไม้ปรากฏว่ากันเทศกันนี้แปลกมากนะวอมาถึงปั๊บมีหมาตัวหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวนะอยู่ในกรมมาถวายอาต ม, มาแล้วบอกพระอาจารย์เทศดีเหลือเกินนะ่ะขอติดกันเทศได้หมาหนึ่งตัวเออแต่ก็เอสวยดีนะก็เลยรับมานะ รับมาตัวหนึ่งอาตมาถามโยมเขาชื่ออะไรเนี่ยโยมบอกเขาชื่อพิงกี้เจ้าค่ะโอ้โหน่ารักจังนะอันนี้เมื่อห้าปีที่แล้วนะคุณโยมนะอาตมาต้องบอกไว้ก่อนมาห้าปีที่แล้วนะเอามาไว้เชงรายเลี้ยงกันอย่างดีเลยนะปีหนึ่งอาตมาไปเอเมริกาไปเดือนหนึ่งกลับมาอตมาคิดถึงหมาก็เรียกหมาว่าพิงกี้มาหาพ่อสิลูกนะปรากฏว่ามันไม่หันเลยนะ มันนิ่งนะหาพ่อสิลูกเงียบเราก็คิดว่าหมามันงอนนะเรียกพิงกี้พิงกี้ก็ไม่หันพี่สาวเดินมาบอกนี่ไปเรียกชื่อเดิมเขาอะเขาไม่หันหรอกเอา้าแล้วใครไปเปลี่ยนชื่อเขาอะพี่สาวก็บอกพี่เปลี่ยนเองแหละเพราะว่ามีหมากี่ตัวกี่ตัวก็ชื่อฝรั่งหมดตัวเนี้ยขอชื่อล้านนาสักตัวได้ไหมแล้วพี่เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นจันฟอม จันฟองก็คือจันเพนน่ะที่บอกว่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อมันเป็นสาวเหนือชื่อจันฟองซึ่งความหมายเท่ากับจันเพนใช่ไหมแต่มานึกในใจว่าดีนะไม่เปลี่ยนเป็นสาวเครือฟ้า <c oughs> ตั้งแต่นั้นก็เลยเรียกชื่อเขาว่าจันฟองแล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาคืออะไรคนยังรู้ไหมปัญหาก็คือว่าเจ้าพิงกี้หรือเจ้าจันฟองเนี่ยมันอยู่ร่วมกับโอบามาแลวก็ ซูเปอร์สตาร์ปัญหาคือท้องมันปง่งแล้วตอนนี้คลอดออกมาแล้วนะคนเดยมนะหกตัวนะหกตัวได้มาหกตัวอดามายังไม่รู้เลยว่าตกลงใครจะเป็นพ่อของมันของเจ้าสุ น, นัขหกตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นรีชิฟเวอร์หรือว่ามันจะเป็นโอบามาตอนนี้ก็เลยอ่ะรอดูสักพักหนึ่ง วันก่อนโยมมหาจะมากราบนะพระอาจารย์พระอาจารย์มาขืนฝันไหมอัตมาบอกไม่ฝันโยมโยมนี่พระหลาดนะมาถามว่าฝันไหมอัตมาเคยเผลอเล่าความฝันแล้วโยมมาเป็นเทยเป็นหวยอ่ะได้ด้วยนะโยมเอออัตมาเลยบอกว่าไม่ฝันถ้าไม่ฝันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะขอตรงๆได้ไหมเอากี่ตัวโยมบอกสองตัวเจ๋งๆอัตมาบอกโยมจำมามีหอก 6เลยแหละคะรางวัลที่หนึ่งเลยเนะไม่ใช่โยมแต่ใต้กุฏิหกตัวมาตามมาเพื่อคลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าจันฟองนี่ก็มีปัญหานะหมายความว่าเวลาคลอดมาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จันฟองนี้มีอุปมาเหมือนกับแม่หรือพ่อประเภทเป็ดคือไข่แล้วก็ทิ้งทีนี้ไม่ใช่แค่ไข่แล้วทิ้งนะ อันนี้เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมามีความสัมพันธ์กับเขาเขาก็เลยมีปัญหาตอนนี้ออกมาแต่มาก็ต้องรอพิสูจน์กันนะต้องรอมันโตนิดหนึ่งถึงจะดูหน้ามันออกนะก็ไม่รู้ว่าทางหมาเนี่เขามีพิสูจน์ดีเอ็นเอกันไหมมีไหมมีใช่ไหมเออนี่ก็ต้องดูกันสักพักหนึ่งนะคุณธรนะนี่แหละอย่าว่าแต่เป็ด น, นะหมาก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะอะไรหมาก็มั่วหมาก็มั่ว ฉะนั้นพ่อแม่ประเภทที่สองนี่นก็คือพ่อเป็ดแม่เป็ดเมื่อให้กําเนิดลูกแล้วไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะปล่อยกันไปเช่นนั้นเองคุณโยมต้องไปดูนะว่าคุณโยมเป็นพ่อเป็นแม่ประเภทไหนเอา้าต่อไปคุณพ่อคุณแม่ประเภทที่สามก็คือพ่อไก่แม่ไก่คุณโยมเห็นไก่ไหมเวลามันไข่มันไข่ที่ไหน ไ, ไข่ในรังใช่ไหมแล้วมันเลี้ยงไหม เลี้ยงอย่างดีนะอาตมาเคยเลี้ยงไก่นะที่บ้านอาตมาเคยมีไก่มันยี่สิบสามสบตัวเลยทีเดียวเวลาที่ไก่มันมีลูกเนี่ยเวลาเวลาที่มันกินข้าวเสร็จแล้วแม่ไก่มันจะมันจะยืนนิ่งนิ่งอยู่ในโลงไก่พึงยมเชื่อไหมว่ามันยืนนิ่งนิ่งนะ่ะต้ปีกมันนะ่ะบางทีมีลูกห้าหกตัวเลยนะแต่เรามองไม่เห็นนะแม่ไก่จะการปิดป้องลูกอันนี้เรื่องว่าพ่อไก่แม่ไก่ก็คือไข่แล้วเลี้ยงด้วย ดูแลด้วยรับผิดชอบด้วยก็เปรียบกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกแล้วกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูสำคัญนะคุณผมนะคํำคำนี้นะกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูกล่อมก็หมายความว่าเมื่อเมื่อให้แก่เหนือลูกมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยกล่อมลูกไหมพ่อแม่จํานวนมากนะให้กก่เหนือลูกแล้วให้ใครกล่อมให้พี่เลี้ยงกล่อมจริงไหม ลูกศิษยอาตมาเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยคลอดลูกแล้วลูกไม่ถึงหกเจ็ดวันเลยพ่อแม่ก็ไปทํางานล้วกลับมาลูกพูดภาษามูเซ่เลยแม่ก็อุ้มไปหาหมอบอกว่าไม่รู้ลูกลูกเนี่ยเกิดอาการที่กางทางสมองหรือไงครับหมอพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่อเอออ่อเออพ่อแม่ไม่เป็นภาษาคนแต่ปรากฏว่าคนกล่อมเขาซึ่งเป็นมูเซ่เนี่ยร้องเพลงมาจําผ่าให้ฟังะ เ, เห็นไหมอันนี้เรียกว่าให้กําเนิดมาแล้วไม่กล่อมแต่ให้คนอื่นกล่อมมีปัญหาไหมเด็กอยู่ใกล้ใครจะรับอิทธิพลของคนคนนั้นนะโอ้โหคุณพ่อไฮโซคุณแม่ไฮโซแต่พี่เลี้ยงนี่ออกมาเนี่โลโซแล้วให้ลูกอยู่กับใครให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงพ่อแม่เป็นซีอโอหมดแต่ทำงานกันมีคนยอมสังเกตให้ดีนะ เะนั้นถ้าเราเป็นพ่อไก่แม่ไก่เนี่ยเราให้กํเกิดเขามาแล้วเราต้องปล่อมคือเลี้ยงด้วยวเองและเกลี้ยงเกลี้ยงก็หมายความว่าปรับปรุงนิสัยโรคนะให้มันเกลี้ยงเหมือนผิวส้มอะ่ะคุณยมได้ดินมาก็นหนึ่งฮะคุณยอมมามาปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นจนมันกลมมันเป็นลูกหนังสติ๊กเลยนี่นะเคยปั้นไหมเคยลงดินหรือเปล่าพวกเราเนี่ยเออ นั่นถึงแม้เราจะอยู่กรุงเทพแต่เชื่อเถอะเก้าสิเปอร์เซนตต่างจังหวัดหมดเลยดินมาก็อนหนึ่งนะปั้นจากดินที่เป็นเศษเศษขยะเศษมูลฝอยเศษอะไรเนี่ยเศษกวดเศษทรายปนๆถ้าเราปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นดินนั้นจะกลมปั้นไปเรื่อยเนี่ยมันกลมจนเกลี้ยงลูกของเราที่คลอดมาเนี่ยคลอดมาใหม่ๆอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราตั้งใจสอนเขา นิสัยเขาจะดีขึ้นดีขึ้นจนเกลี้ยงจนเกลาฉะนั้นคนยมเลี้ยงลูกคนยมเคยเคยเลี้ยงก็ให้เกลี้ยงไหมพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกลูกไม่เกลี้ยงนะลูกอยากลูกหลานของเราเราให้กําเนิดเขาเนี่ยเรามีหน้าที่กล่อมคือพยายามเลี้ยงด้วยตัวเองนะโยมนะให้คนอื่นมากล่อมจะได้ดังใจพ่อแม่ไหมได้แค่เลือดเนื้อเชื้อไขแต่นิสัยอาจเป็นของคนอื่นเห็นไหมโยมเกลี้ยงก็คือ ทายทอดคุณสมบัติที่ดีงามลำเลิ้ให้เขาอะไรไม่ดีไม่งามค่อยๆดึงออกเหมือนเราเอาก้อนดินมาเนะี่ยเราปั้นถ้าเราเจอเจอเศษตรวจก็ดึงตรวจออกเจอเศษหญ้าก็ดึงเศษหญ้าออกจกนกระทั่งเหลือ ด, ดินล้วนๆแล้วปั้นให้เกลี้ยงเลยนี่งดงามลำเลิ้อนอย่างนี้เรียกว่าทําให้เกลี้ยงกล่อมเกลีย้ยงเลี้ยงคุณเคยเห็นนะักฟุตบอลไหมเดโกมาราโดนารู้จักไหมเปเร่รู้จักไหมเ กินเดินซีดานรู้จักไหมเวนรูนี่รู้จักไหมเออเดวิดเบ็คแฮมรู้จักไหมเวลานั้นฟุตบอลสาคัญสําคัญเขาได้ลูกฟุตบอลมาเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกหมายความว่าให้ลูกอยู่ในรักษามีของเท้าของเขานักฟุตบอลที่เลี้ยงลูกฟุตบอลเก่งๆเนี่ยเลี้ยงผ่านทีสิบคนได้ไหมได้คุณยอมทั้งหลายให้กําหนิดลูกคุณยอมให้ลูกอยู่ใกล้โยอมไหม พยมเลี้ยงลูกไหมเลี้ยงด้วยตัวเองไหมการที่จะเลี้ยงลูกให้ดีมันต้องมีศิลปะต้องต้องเลี้ยงหน้าเลี้ยงหลังสับขาหลอกบ้างอะไรบ้างจังหบะหมอมก็ตั้งแล้วก็ยิงได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ยังเลี้ยงลูกด้วยตัวเองไหมให้เกมเลี้ยงมีไหมมีบ้างเอยังติดคําว่าบ้างมันนิดหนึ่งก็ไม่เร็วนะสดงว่าอย่างน้อยก็แบ่งเวลากันใช่ไหมคะเออ ให้โทรทัศน์เลี้ยงได้ไหมเดี๋ยวนี้จะให้โทรโทรัศน์เลี้ยงระวังให้ดีนะเดี๋ยวออกมายัางกกคุณน้ำหวานในระบงบังดวงดาวนะ <c oughs> ถ้าออกมาแล้วเป็นวันนี้ดาวก็ไม่เร็วนะ <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะให้โทรทัศน์เลี้ยงจะให้สื่อเลี้ยงนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกให้ดีๆนะถ้าเลือกไม่ดีแล้วออกมาแล้วจบจบแล้วยุ่งนะ <c oughs> เห็นไหม ถ้าเออให้ดูดูแล้วออกมาเนี่ยโอ โ, โทรทัานเนี่ยได้สุภาพบุรุษแบบพันตรีประจักษ์ชื่นใจไหมชื่นใจนะเพราะฉะนั้นเลี้ยงก็หมายความว่าให้ลูกให้หลานอยู่ในรัศมีที่พ่อแม่จะสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ก่อนจะปล่อยออกไปเนี่ยอย่างพราบทใหม่นี้นะคุณชมนะถ้าบทใหม่ก่อนจะปล่อยออกไปเผยแพ่ได้เนี่ยต้องอยู่กับอุปชาห้าปี ถ้าไม่ได้อยู่กับครูบาอาย์ห้าปีปล่อยออกไปนี่ถือว่าเพรีินัยนะคุณโยมนะนี่คือหลักของพระบวชแล้วยังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งห้าปีลูกหลานงคุณโยมนี่ให้กําเนิดแล้วพยายามให้ให้อยู่กับเขาให้ได้ยเยอะนะงานเลี้ยงลูกนี้เป็นงานสําคัญพอๆกับงานปั้นพระนะคุณโยมนะอาตมาเคยพูดว่างานเลี้ยงลูกของบรรดาบบดาสําคัญกว่างานปั้นพระของศิลปิน ศิลปินเวลาปั้นพระเขาตั้งใจมากนะเขาสมาทานสิ้น 8, แปดเราปั้นพระทีนี้งานเลี้ยงลูกก็เป็นอย่างนั้นโยมอาจจะต้องสมาทานสิ้นแปดแล้วก็เลี้ยงลกนะถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีนะเขาจะกลับมาทำให้พ่อแม่ลาบากใจทั้งชีวิตถ้าเป็นศิลปินนะเราปั้นพระพระกันยาวไปเราซ่อมได้ไหม ร้านาสิกงุมไปหรือโด่งไปซับไปเราแก้ได้ไหมแต่ถ้าลูกของยอมมันก้าวเหรอไปคุณจอจะแก้ได้ไหมบางทีแม่เรียกมาสอนแกไม่ฟังแม่ใช่ไหมลูกบอกทำไมผม<อ>ต้องฟังง่ายไหมมันไม่ง่ายนะมันไม่เหมือนิีเลปินปั้นพระนะเรื่อระ้านาศิกไม่สวยถ้ากันไม่สวยถอดออกมาซ่อมทันที แต่ถ้าลูกเลี้ยงปุ๊บมันเข้าแล้วพอแม่ไม่แ ม, แ ม, แ ม, แม่เรียกมาตบปั๊บมันตบสวนเลยนอะ<แ>เห็นไหมครูเรียกไปสอนตกเย็นชวนเพื่อนเพื่อมารุมซ้อมครูได้ข่าวมไหมที่ทมีมีคลิปที่ครูไปตีเด็กแล้วเด็กรุมตีครูฉะนั้นการสอนเด็กการสร้างลูกเนี่ยมันยากกว่าการปั้นพระนะคุณยมนะคุณพ่อคุณแม่ประเภทไก่เนี่ย ต้องกล่อมต้องเกลี้ยงและต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดมิเช่นั้นแล้วโตวขึ้นมาเราได้แต่เนือตัวเขามาแต่อุปนิสัยใจคอเป็นคนของเราไหมอุปนิสัยใจคอเป็นยักษ์เป็นมารนะคุณโยมเนาะฉะนั้นต้องรอะวังกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงและดูดูก็หมายความว่าจับตาดูนะจับตาดูลูกของโยมนะว่าลูกของโยมเนี่ยเขามีแววจะเป็นอะไรลูกโยมเนี่บางทีโยมเอาเอาไปตั้งบนโซฟา แล้วยมก็เข้าครัวนะโยบางคนเอาลูกไปนั่งบนโซฟาแล้วเข้าครัวแล้วมาเล่าให้ธรรมาฟังพระอาจารย์ลูกโยมนะมันดีดีเอานั่งตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่นานไหมโยมทั่งวันเลยเจ้าค่ะน้ำลายมันไหลไหมก็ไม่มีนะเจ้าค่ะแล้วมันพูดอะไรไห ม, มไม่พูดเลยค่ะมันนิ่งเลยค่ะนิ่งเนมือนเขานั่งสมาธิแล้วก็ทําอะไรไม่รู้เจ้าค่ะ เอาตั้งตรงนีนมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ปกติไหมอ่าไม่ปกตินะอย่าภูมิใจนะอย่าภูมิใจนะหรือเด็กหนึงคนเนี่ยมันเป็นเจ้าหนูช่างถามแม่ครับทำไมเราต้องเปิดไฟเราต้องปิดไฟด้วยนะแม่ครับแล้วทำไมจิ้งจกเนี่ยมันเดินอยู่บนเพดานได้แล้วทำไมแม่เดินไม่ได้นี่อารมะเคยเจอขนาดนี้นะในเด็กมันช่างถามนะ มีได้กคนหนึ่งไปบทอาจามาแล้วถามพระอาจารย์ครับทําไมพระต้องผมเหลืองทําไมพระไม่ใช้จีวรสีชมพูไม่เคยมีใครถามอาตมาเลยนะนทําไมพญาเนาต้องอยู่หน้าโบสเราจะพันมแมลงสามหน้าโบสถ์ได้ไหมโอ้โหชอบเน้น้อยรูปนี้มากนะอาจารมาบอกว่าลูกมีอะไรอยากถามถามเลยลูกเพราะอะไรเพราะอาจารยคิดว่านี่ น, นี่แววอัจฉริยะนะ บางครั้งลูกเรานี่หนึ่งมันนิ่งเกินภายนี่ก็ประหลาดนะบางทีนิ่งนั่งตรงไหนมันหลับตานะครึ่งวันอันนี้ผิดปติแล้วนะหรือบางทีมันถามทุกเรื่องเลยเหมือนกับโทมัสอาวารเอเดสันโทมัสอาวารเอเดสันนี่จ้าหนูคนนี้ถามแม่ hey, แม่ายนี้นอกจากหงหาอาหารแล้วทำอะไรได้อีบ้างแม่บอกว่าอยากรู้ เธอก็ทดลองเองสิเอดิสันซึ่งเป็นคนผลิตหลอดไฟเนี่ยนะให้ชาวโลกได้ใช้นะ่ะพอแม่เผลอนะเขดึงดุนฟืนองดึงดุนวิ่งไปที่โกดังเก็บของแล้วไปจ่อเลยสักแป๊บเดียวไฟไม่โกดัง <laughs> เขาเลยได้รู้ว่าอ๋อนอกจากไฟในหุงหาอาหารแล้วเผาก็ได้ด้วยเชื่อไหมและทมัสอวัยเอดิสันวันหนึ่งถูกครูเชิญออกจากโรงเรียนนะ <laughs> แม่ไม่พอใจมากเพราะว่าเด็กอยู่ที่บ้านช่างซัก ช่างถามฉลาดมากไม่ไปที่โรงเรียนถามครูประจำชั้นครูคะทําไมครูไล่ลูกของดีชันออกจากโรงเรียนครูบอกว่าลูกของคุณนั้มีอาการทางสมองนะยังไงคะครูเอเดสานมานี่สิพิสูจน์กันเลยเอเดสานเดินไปนหน้าห้องเอเดซานหนึ่งบกหนึ่งเป็นเท่าไหร่หนึ่งครับครูครูหันไปหาแม่เห็นไหมคุณนายลูกคุณะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเดียนรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะต้องเชิญออกแม่แม่รู้ว่าลูกฉลาดมากอยู่ที่บ้านนะถามทั้งวันเป็นเจ้าหนูจะใหม่แม่ก็เลยถามาลูกลูกให้เหตุผลครูซิถ้าไม่หนึ่งวกหนึ่งมันจึงเป็นหน่งเพื่อนทั้งห้องนะครูก็รอฟังคุณครูครับคุณแม่ครับถ้าสมมติว่าผมมีสายนะครับอยู่ทางขวาหนึ่งกองและทางซ้ายหนึ่งกอง เอาทายสองกองมารวมกันจะเป็นกี่กองครับครูครูดับหนึ่ง <c oughs> แม่เลยรู้ว่าระหว่างลูกตัวเองกับครูใครโง่ <c oughs> แม่ก็เลยบอกครูว่าคุณครูคะดิฉันยินดีที่จะเอาลูกกลับไปเรียนที่บ้านคะ่ะ <c oughs> และตั้งแต่นั้นคุณแม่เลยสอนลูกด้วยตัวเองเป็นที่มาของต้นกาเนิดโรงเรียนแบบโฮมสกูล คือการสอนลูกด้วยตัวเองที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่สําหรับเด็กอัจฉริยะนี่คุณยัเห็นไหมเพราะฉะนั้นคําว่าดูก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ดูลู ก, ลกนะดูสิว่าไอ้เอจ้าลูกคนนี้นีโตขึ้นมามันจะเป็นศิลปินหรือเปล่าเจ้าลูกคนนี้โตขึ้นมามันจะเป็นโจรไหมเจ้าลูกคนนี้โตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตัวอิจฉาไหมไอ้เอจ้าลูกคนนี้โตขึ้นมามันมีท่าจะเป็นนักการเมืองไหมหรือว่าเจ้าลูกคนนี้โตขึ้นมาแล้วมันอยากจะบวช ดูนะถ้าเราดูดูเด็กออกคุณยอมรู้ไหมคุณยอมจะสามารถพัฒนาลูกให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเด็กทั้งหนึ่งอาจารย์ถวันดัชนีอายุสี่ขวบเคยตามแม่ไปทำบุญที่วัดวัดมิ่งเมืองที่จังหวัดชียงรายแม่ถวายสังฆทานกับหลวงตาเสร็จแล้วหันมาหาปรากฏว่าลูกหายคุณยอมรู้ไหมเจ้าหนูคนนั้นไปไหนเจ้าหนูซึ่งในอนาคตจะเป็นจิตรกรเอกระดับโลก ซึ่งวาดภาพหนึ่งภาพมีราคาเป็นพันล้านนี่นะเจ้าหนูวิ่งลงมาเล่นข้างล่างแล้วไปได้ฐานมาก้อนหนึ่งเท่าเท่ากัาปั้นนะเจ้าหนูเอาฐานก้อนนั้นลนเลงเต็มกำแพงกำแพงซึ่งลวงตาให้ทาปูนขาเอาไว้เพราะว่ารอรับพระป่าจากกรุงเทพเจ้าหนู ล, เลนเลงตั้มามเลยแม่เดินออกมาตามหาลูก เพราะว่ากำลังและเลงฐานก้อนนั้นบนกําแพงอย่างเมามันนะแม่ก็เลยด่าลูกว่าอุย้ยแม่มาทําบุญ น, นะลูกมาทําบาปดูสิเนี่ยหลวงตาลูกในฉันน่ะเจ้ากรรมในเวรจริงๆนะหลวงตาบอกยอมใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปว่าเขานะเลี้ยงให้ดีนะเจ้าหนูเนี่ยโตขึ้นมันอาจจะเป็นจิตรกรเอกของโลกก็ได้นะเขายอมรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นมา จนกระทั่งถึงตักวันนี้เนี่ยทวะดเชนีเป็นจิตรกรเอกระดับโลกไปวาดภาพให้เจ้าชายองค์หนึ่งที่ยุโรปใช้เวลาเกือบสามเดือนปิดวังว่าเมื่อวาดเสร็จแล้วเจ้าชายคนนั้นยื่นเช็คให้เขียนเอาเองว่าจะเอาเท่าไหร่อย่างถ้าคุณยมเนี่ยจะมายื่นสมุดเช็คให้ให้เติมเอาเองอะ่ะ <c oughs> คุณยมคิดว่าจะเติมเท่าไหรอ่อ่ะเจ้าของวังเขาก็บอกว่าอยากได้เท่าไหร่ก็เติมเอง อาจารย์ถวันดัชเีก็มานอนคิดวันรุ่งขึ้นเพรากับเจ้าของวังเจ้าของวังก็คิดว่าศิลปินเอเชียคนนี้ก็คงจะเติมเอาเต็มที่แหละอย่างน้อยก็สักร้อยล้านนะมั้งปรากฏว่ามีแต่สมุดเช็คเปล่าแกยื่นตัดไปเจ้าชายก็ตกใจมากว่าทำไมคุณไม่เติมตัวเลขอ่ะอาจารย์ถวันดัชเชนีก็บอกว่าผมประเมินค่าฝีมือตัวเองไม่ออกผมดูดูแล้วเนี่ย งานศิลปะที่ผมว่าทั้งหมดมันไม่น่าจะใช่มนุษย์วาดมันเป็นงานทั้นเทพคําว่าขั้นเทพมาตรงนี้นลสุดท้ายผมก็เลยไม่รู้ว่าจะประเมินราคาศิลปะของแต่เป็นตัวเงินเท่าไหร่เจ้าชายก็ตกใจมากว่ายังมีอยู่หรือมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่เงิน่ะก็เลยบอกว่าเอางี้ ในเมื่อคุณไม่ตีราคางานของคุณเป็นเงินจากนี้เป็นต้นไปเดือดร้อนเรื่องเงินก็บอกก็แล้วกันเมื่อวาดผลงานชิ้นนั้นเสร็จปั๊บนับแต่นั้นชื่อของอาจารย์ธรรมดัชนีก็ขับจรขจาใจไปทั่วโลกท่านพูดได้ถึงห้าภาษานะมีบ้านอยู่ในสี่ทะเลทั่วโลกบ้านท่านที่จังหวัดชียงรายเมถึงกี่หลังรู้ไหมสามสิห้าหลัง เพราะฉะนั้นเวลาเราไปหาอาจารย์ถวันเนี่ยคุณยมไม่เจอเขาหรอกสามสิบห้าหลังต้นหัวเข่านอนหลังนี้พอาะสามทุมแกไปนอนอีกหลังหนึ่งเพราะตีสี่แกไปอยู่อีกหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณยมไม่เจอแก ห, หรอกเราวันนี้นะจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแทบล้มกระดาตายใช่ไหมโอ้โหจะตายก็ให้ได้นะกว่าจะหาเงินมาซื้อบ้านหลังหนึ่งนอะแกสร้างสามสิบห้าหลังและยังไม่มีนี่แล้วว่าจะเลิกสร้างนะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะ แกสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไป เ, เรื่อยเพราะอะไรแกเป็นคนหาเงินง่ายแกบอกว่าถ้าอยากจะได้เงินเหรอก็ตื่นเช้าออกมาเบ็ดเช้เขียนเอามือจุ่มสีแล้วก็ป้ายเลยฝรั่งก็เินมาซื้อแกก็ตั้งราคาเ อ, อาตามใจชอบแกบอกว่างานของผมไม่มีออยไม่มีการควบคุมคุณภาพผู้บริโภคเพราะฉะนั้นผมจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมว่ากัอนหน้ามีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพที่ ที่สูงจุดเพาดานจากพื้นจุดเพาดานเกินสิบเมตรมีคนสั่งเอาไว้อาจามาเคยทำเลยขาแกว่าโอ้โหภาพสูงเกินฝาบ้านขนาดนี้เนี่ยแล้วเอากลับนี่เจ้าของภาพจะเอากลับยังไงอะ่ะอาจารย์ถวันบอกว่าไม่รู้สิเขามาซื้อภาพผมมีหนะ้าที่วาดวาดเสร็จแล้วมันจะขนกลับยังไงก็ช่าง <laughs> สูงประมาณยี่สิบเมตรนะคิดดูเห็นไหมไม่น่าเชื่อว่าจิตตกรเอกระดับโลกคนเนี้ยที่ แต่บอกว่าสะกดคํำว่าจนไม่เป็นตอนเด็กๆแกก็คือคนคนเดียวกันกับเจ้าหนูที่ไปเอาก้อนผ่านละเลกงกําแพงของหลวงพ่อฉะนั้นหลวงพ่อตามมีแววไหมคนโยมหลวงพ่อตามมีแววมากหลวงพ่อบอกว่าโยมอย่าไปว่าเขานะเลี้ยงดีๆนะเจะ้าหนูคนนี้โตขึ้นอาจจะเป็นจิตตกรเอของโลกก็ได้นี่ไงก็เรียกว่าพ่อแม่มีหน้าที่ค้นหาดีในตัวเด็กอย่าทําให้เด็กดีแตกนะ ใๆทุกคนจะมามองว่าเหมือนเหมือนเดนหนึ่งก้อนเดนหนึ่งก้อนปันป้นเป็นลูกหลังสติกก็ได้ใช่ไหมปั้นเป็นอิดได้ไหมเอาไปถมทางได้ไหมปั้นเป็นพระพุทธรูปได้ไหมปั้นเป็นเครื่องแก้วเซรามิกได้ไหมได้ทั้งหมดพ่อแม่มีหน้าที่จับตาดูลูกของเราว่าแววอะไรที่แสดงออกมาในทุกคนมีแววนะคุณโยมนะพ่อแม่ต้องตามีแวว พ่อแม่ต้องตามีแววนะยังหลวงปูชาของเราเนี่ยหลวงปูชาสุพัทโทเนี่ยตอนเด็กๆท่านชอบเล่นเล่นละครสมมติกับเพื่อนชอบเล่นเป็นพระอยู่ใต้ถุนบ้านนะชอบเอาพระขามาพาดบ่าให้ศีลให้พรชอบเล่นเป็นพระสมัยพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันก็เหมือนกันก็มีแนวโน้มชอบเล่นเป็นพระนี่คนยมดูสิว่าแววของแต่ละคนมันออกตั้งแต่เด็กนะ โชแปงก็เหมือนกันเป็นคีร์ตกกะกีระดับโลกวันหนึ่งแม่สอนเปีย โ, โนให้กับพี่ชายแต่แม่ไม่ยอมสอนน้องชายคือโชแปงนะแม่สอนพี่ชายเจ้าน้องแอบยืนดูทุกคืนทุกวันแม่ไม่เคยสอนเพราะแม่คิดว่าจะปั้นพี่ชายให้เป็นนักเปียโนระดับโลกคืนวันหนึ่งสองคนสองสามีภรรยานอนหลับอยู่ประมาณเที่ยงคืน แล้ยินเสียงเปียนโนดังขึ้นมาจากโถงชั้นล่างแม่กับพ่อตกใจแอบเดินออกมาดูชะโงกจากโถงมองลงแปลงล่างตกใจตาลีตะเหลือกคนที่เล่นเปียนโนคือเจ้าลูกคนเล็กไม่ใช่พี่ชายที่แม่สอนนะคือโชแปงแม่เดินลงมาไปเยืนอยู่ข้างๆลูกเจ้าหนุ่มตกใจ ใครสอนเปียโนลูกอ่ะโวแปงตอบก็แอบดูตอนแม่สอนพี่ชายอ่ะครับเท่านั้นเองแม่ขนลุกเลยวันรุ่งขึ้นแม่บอกว่าพี่จะไปทำอะไรก็ทำ <c oughs> ฉันจะสอนนอ้อง <c oughs> นี่คือสุดยอดคีตอรกวีเอกคนหนึ่งของโลกแม่เขาตามมีแววไ <c oughs> งคนย่อมเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะตาต้องมีแววนะ ดูว่าลูกนี่มันมีแนวโน้มจะเป็นอะไรเขาอาจจะประสบความสาเร็จในอนาคตก็ได้แต่ถ้าพ่อแม่ตาไม่มีแวลนะบางทีลูกเป็นนักตั้งคําถามแม่ด่าก็จะถามอะไรนักหนาะไอเด็กเวร น, นี่ อ, อถ้าอย่างนี้เป็นยังไงเขาจะกล้าถามอีกไหมจบนะบางทีเด็กชอบให้เหตุผลแม่พูดไป น, นิดนหนึ่งเด็กมันมันให้เหตุผลแม่บอกแกนี่ก้าร้าเหมือนพ่อเลยนะ จากนั้นเหตุผลมันจะหายไปเด็กมันชอบว่ารูปแม่ก็บอกเล้ะเอไปหมดแล้วทำไม่ได้ไงเนี่ยวันมันไม่คิดทำอะไรได้ยังไงจิตตรกอเอกหายไปหนึ่งคนเห็นไหมเด็กมันลุกขึ้นมาเต้นแทนที่พ่อแม่จะชื่นชมเฮ้ยววมันออกนะเนี่ยในอนาคตมันอาจจะเป็นนักเต้นระดับโลกก็ได้นี่แม่บอกใจคอแกนเป็นจริงโจมาเกิดหรือไงแล่หนึ่งคืนวัเนีัย แต่พูดอย่างนี้เป็นยังไงซูเปอร์สตาหายไปคนหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณโยมต้องดูดีๆนะเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวนะคำถามคือพ่อไม่เห็นแววเข้าไหมถ้าไม่เห็นแววนะเพราะว่าตาพ่อแม่ไม่ค่อยมีแววนี่นะแนะนำให้ตอนกลางคืนนะมืดเดือนมืดๆนะมองไปบนฟ้าดูดวงดาวนะ ช่วงที่ดาวสุกสว่างพ่อแม่มองบนฟ้าดูดวงดาวนะเอาแววดาวมาใส่ตาตาจะได้มีแวว เ, เห็นไหมเอาแววดาวมาสร้างแววตาได้ไหม <c oughs> ดังนั้นดูดีๆนะเด็กของเราทุกคนนะคุณโยม <c oughs> เขามีแววอัจฉริยะอย่างเช่นคุณคุณหม่่มจกมกเนะ่ะในประวัติเขาก็ามีลูกหลายคนนะแล้วบ้านยากจนมากม่่มชอบหายออกไปจากบ้านเสมอ ถ้าแม่อยากรู้ว่าลูกคนนี้อยู่ตรงไหนแม่จะหูแนบดินถ้าเสียง ห, หัวเราะดังมาจากทิศไหนลูกคนนี้อยู่ตรงนั้นแล้วแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเจ้านี่จะเป็นตลกระดับประเทศสอนอยังไงมัมไม่ฟังสุดท้ายแม่เอาเอากระติบเข้าไปซ่อนจนเป็นเห็นให้ให้มัมโจมกงบกับแม่หมางเมินต่อกันแล้วกันจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เสียชีวิตไปมัมประสบความสําเร็จสร้างหนังหนังกระจกกระจอกเนี่ย น, นะ ถ่ายหนึ่งเดือนก็ได้ร้อยล้านนี่นะคุณโยมไม่เชื่อใช่ไหมประหลาดมากนะบริการให้เหลี่ยมอย่างเงี้ยเหยียมเงี้ยสโตรนอย่างเงี้ยหนังอะไรก็ไม่รู้นะแต่แต่และเรื่องกว่าร้อยล้านทางนั้นเลยตลกคนนี้เป็นคนกำกับและเป็นคนแสดงวันหนึ่งเมื่อเขาไประสบความสำเร็จแล้วเขาไปรับพ่อกลับมาที่กรุงเทพเปิดโรงแรมหรูห้าดาวให้พ่อพักผ่อนแะ้วเขาก็ไปดูแลพ่อก็บอกว่า มัมพ่ออยากให้แม่แกมาเห็นจังเลยพ่อพูดแล้วก็ร้องไห้มัมก็ร้องไห้มัมบอกว่าพ่ออย่าพูดถึงแม่ได้ไหมพ่อก็บอกว่ามัมแกยังไม่เข้าใจเลยแม่ไม่ได้เกลียดแกนะลูกที่แม่เอากระติบเข้าไปซ่อนอเพราะแม่จนปัญญาจะสอนแกแล้วแกนี่มันคขำตลอดเลยแม่สอนด้วยวิธีปกติไม่ได้ไงถึงเอากระติบเข้าไปซ่อนเนี่ย แทนที่แกจะรู้สับนึกแกกับคิดว่าแม่เกลียดแกกันหรือหม่ำเพิ่งเข้าใจในนาทีนั้นก็บอกว่าเขาเขาร้องไห้เลยเขาเสะเทือนใจมากใครจะไปรู้ว่าเด็กเด็กที่มีแววอยู่แล้วแต่แม่มองไม่เห็นในอนาคตจะพัฒนาตนเองขึ้นมาจนกลายเป็นตลกอันดับต้นๆของประเทศไทยคุณยมไปเปิดโทรทัศ์ดูเถดเจ็ดวันคุณยอมเจอใครระหว่างนายกกับหม่ำชงม้เนะี่ย กูเจอเขาเกือบทุกช่องนะใช่ไหมนี่แหละคือตัวอย่างว่าแม้แต่เด็กซึ่งพ่อแม่คิดว่าเป็นตัวปัญหาของครอบครัวแทนที่จริงเขาเป็นตัวปัญหาหรือเป็นตัวปัญญาเขาอาจจะเป็นตัวปัญญาของครอบครัวก็ได้นี่ฉะนั้นใครเป็นพ่อเป็นแม่พระอาจารย์ขอแนะนําว่าให้รู้จักเป็นพ่อแม่ประเภทไก่นะทำหน้าที่สี่อย่างกล่อมเกลี้ยง เลี้ยงดูโดยเฉพาะดูสําคัญที่สุดเพราะว่าเด็กๆทุกคนมีอัจฉริยภาพเขามีแววอยู่แล้วพ่อแม่ต้องมองให้เห็นถ้ามองเห็นคุณยมจะสามารถปั้นลูกของคุณยมให้เป็นอัจฉริยะได้นี่เรียกว่ากล่อมเปลี่ยงเลี้ยงดูต่อไปก็พ่อแม่หัวใจพระโพธิสัต์อันนี้ก็หมายความว่าเมื่อลูกไม่กำเนิดลูกออกมาแล้วลูกจะบกพร่องยังไงก็ตาม จะง่อยเปรี่ยเสียขาจะพิกลพิการจะออทิสติกจะอวัยวะไม่ครบจะป่วยยังไงก็ตามแต่ว่าพ่อแม่ไม่ปฏิเสธลูกเลยยินดีที่จะเอาลูกมาเลี้ยงโดยไม่ผลากใสโดยไม่ไปกดลงชักโครกโดยไม่ไปฉีดยาทําให้เขาตายแต่บอกตัวเองว่าจะดีจะช่วยอย่างไรเขาก็ลูกฉันอาดามาเคยเห็นคุณแม่คนหนึ่งลูกเป็นออทิสติกทีนี้ลูกคนนี้นี่มีความจําดีมาก ก็พาลูกไปวัดไปฟังธรรมโน่นนี่นั่นพยายามจะสอนลูกที่เป็นออทิสติกน้ํำลายไหล น, นะนะคุณผูมนะวันหนึ่งก็พาลูกไปฟังธรรมที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งพาลูกไปฟังธรรมสิบครั้งลูกไม่เคยแสดงปฏิกิริยาอะไรเลยนะทีนี้ไปวัดคราวนี้เนี่ยพอหลวงพ่อเทศจบปับ๊บญาติโยมเนี่ยห้าหกร้อยเลยนะเหมือนห้องเนี้ยหลวงพ่อเทศจบปับ๊บเอวังก็มีด้วยประการศนียญาติโยมสาธุ ในความเงียบลูกของคุณยงคนนี้ตกมือทุกคนในบทหันมามองเลยแล้วก็มองตาฉขไม่รู้กาละเทศะใช่ไหมจูาประคุณสมเด็จเทศจบเนี่ยตกมือได้ไงทุกคนตะหนิ้วยสายตานะโอ้ยคุณแม่เนี่ยอายแทบแทรกไ้เด่นดีอุ้มลูกออกมาข้างนอกสตาร์ทรถเอาลูกนั่งเบาข้างร้องไห้อยู่ในรถ น้ำตาไหลเป็นสายเลยแกมาเกิดกับฉันแลแ้วแกก็ยังทําให้ฉันขายนะวันนี้ต่อหลวงพ่อสมเด็จเลยนะแกก็ยังทําแล้วก็ร้องหหยร้องไห้ลูกก็นั่งนิ่งๆอยู่น้ำลายไหลอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งจิตก็สอนคุณแม่ว่าเอ๊ะทุกครั้งฟังเทศจบลูกไม่เคยแสดงปฏิกิริออยาอะไรเลยแต่ครั้งนี้หลวงพ่อเทศจบลูกถกมือ เ้นี่มันมีพัฒนาการนี่ว่าใช่ไหมเขารู้ว่าเทศจบแล้วนี่พอคุณแม่คิดได้อย่างนี้นะหันไปมองโลกโลกยิ้มแม่โน้มตัวลงไปกอนลูกน้าตาไหลเปื่อนหัวโลกโลูกแม่มีพัฒนาการแล้วใช่ไหมลูกรู้ใช่ไหมว่าหลวงพ่อเทศจบลูกจบมือซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันร้าต่อมาคุณแม่เอาลกูกไป คุณยัมรู้ไหมที่นี้เกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเทศเหมือนเดิมเอวังก็มีด้วยประการศนี้ทุกคนเงีบเยบแหละหันมามองดูว่าวันนี้หวยจะออกอะไรปรากฏว่าเจ้าหนูคนนี้สาธุได้น้ําตาคนทั้งวัดเลยวันนั้นตอนนี้เจ้าหนูคนนี้เป็นเด็กอัจฉริยะจําชื่อจังหวัดในประเทศไทยได้ครบทุกจังหวัด และจำคำขวัญแต่และจังหวัดได้เกือบทั้งหมดคุณยอมเห็นด้วยยังมหาตามานะจำชื่อมหาตามาได้ทุกตัวมหมาตายไปตัวหนึ่งเขายังบอกว่าแล้วตัวนั้นไปไหนนี่ดูสิคุณยอมในความอาภัพอาบโชคซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพของเด็กและพ่อแม่อาจจะตัดสินแล้วว่าลูกของฉันแย่มากแต่ถ้าคุณยอมตามีแววนะและคุณยอมไม่ท้อดูให้ดีๆนะนั้ น, น่ะ บางทีอาจจะเป็นนักปราราชบัณฑิตที่เขาจําแรงร่างมาเพื่อพิสูจน์ศรัทธาของพ่อของแม่ว่าจะหมดศรัทธาในตัวลูกไหมเพราะแม่บางคนหมดศรัทธาในตัวลูกนะไม่เลี้ยงไปยกให้บ้านพักไปยกให้สถานพินิษฐ์ไปยกให้สถานสมคร้อเด็กโปรดรู้ไว้ด้วยนะคุณโยมนะบางทีที่คุณโยมยกให้เขานั้นน่ะในอนาคตอาจจะเป็นนักปราราชบัณฑิตระดับโลกก็ได้ใช่ไหม ฉะนั้นถ้าเราให้กระดเข้ามาแล้วคุณยมอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะเลี้ยงไปสิดูเขาไปดูเข้าไ ป, าไปในอนาคตเนี่ยพอเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นดวงดาวอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนสุซานบอยที่เป็นคุณป้าใยายชมนักร้องนะที่ตอนนี้ออกเทปแล้วขายได้เยอะยิ่งกว่าไมเคิลแจ็คสันตอนในเด็เดกๆก็เติบโตมาในสภาพที่ไม่พร้อมหรือเหมือนโอปราห์วินรฟย ที่ทํารายการอเปราโชแล้วคนดูทีสี่สิบล้านทั่วโลกอ่ะเป็นส ต, ตรีผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกตอ น, นเด็กๆก็เติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหาและก็อปุปสรรคแต่ทุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จมากบารักโอบามาตอนอายุสี่ขวบถูกผลักตกบอ่อทรายโดดนะแต่เขาเขียนบันทึกของเขาว่าโตขึ้นฉันจะเป็นประธานาธิบดีคุณครูที่โรงเรียนหัวราะเยาะเลยเจ้าเด็ก ด, ดําผมหยิกหยองอย่างเงี้ยนะจะเป็นประธานาธิบดีในประเทศผิวขาว ฝันไปหรือเปล่านอ้องเชื่อไหมพอเขาได้เป็นคุณครูซึ่งแก่งักแล้วนะเนี่ยฉันสอนเข้ามาอย่างดียังมีหน้ามารับความชอบนะคุณจะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูดูลูกให้ดีนะดูให้ดีๆว่าม้าที่อยู่ในครอบเราม้าบางตัวเป็นม้าที่พระโพธิสัตว์เสด็จมาอุบัติก็ได้นะ ฉะนั้นเวลาเราเจะเลี้ยงลูกให้ดีเราก็ต้องมีศิละปะในการเลี้ยงม้านะอย่าไปเป็นคนเลี้ยงม้าที่เล่าเดี๋ยวลูกมันเป๋ตามแต่เราต้องเป็นคนเลี้ยงม้าที่เป็นมืออาชีพพ่อแม่อย่างไรลูกหลานก็เป็นอย่างนั้นสภาพแวดล้อมอย่างไรเด็กของเราก็เป็นอย่างนั้นนี่นิทานเรื่องที่หนึ่งนะว่าจะเล่าหลายเรื่องหรืเรื่องเดียวได้ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอเอาอีกสักเรื่องเนาะไห น, หนว่าเรื่องนี้แล้วเอาอสักเรื่องหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น มีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่มากมีพระเนนประมาณห้าร้อยรูปมาเรียนหนังสือกับครูบาอาจารย์ที่นี้ที่วัดแห่งนี้แหละเนื่องจากพระหนุ่มเนน้อยเรียนกันเยอะมากก็จึงมีทั้งพระเนนเกเรแต่มีเนนอยู่รูปหนึ่งเกเรเกตุงมากเพื่อนเตือนก็ไม่ฟังอาจารย์ห้ามก็ไม่อยู่ทุกคืนนะเจ้าเนน้อยรูปนี้ แอปปีนออกจากกำแพงแอปปีนออกจากกำแพงไปไหนไปเที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนชอบแปลงร่างไปเที่ยวโนู่นนี่นั่นแล้วชาวบ้านเขาก็เล่าก็ลือว่าเอเนรวัดนี้นะชอบหนีเที่ยวนะสอนกันยังไงเนะี่ยโยมก็เนรหาไปโยมก็เล่าไปเล่าไปเล่าไปเล่าไปเรื่องแดงมาถึงวัดพ้าในวัด ประมาณ499รูปทำจดหมายเป็นบัญชีหางว้ายื่นถึงหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าวันนี้ทำไมพวกเธอจึงอยากนัดประชุมนะักพระอาวุโสก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับสิบของวันเรารูปหนึ่งเนี่ยทำให้พวกเราเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย ทางบ้านเขาร้องมาตลอดว่ามีเนนรูปหนึ่งออกไปเที่ยวนอกวัดแล้วนำแต่เรื่องเสืมเสียมาสู่วัดของเราถ้าหลวงพ่อไม่จัดการก้าวกระผมซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีนี้ถึง499รายชื่อยินดีจะออกจากวัดหลวงพ่อคิดดูนะครับเนนเกเรรูปหนึ่งเอาออกไปจากวัดเรากับพระเนรส่วนใหญ่499รูปหลวงพ่อจะเลือกใคร หลวงพ่อรับจดหมายมาดูเรานั่งสมาธิเนี่ยในที่ประชุมก็ลุ้นกันอยู่แล้วว่ามันก็แง่อยู่แล้วเดี๋ยวเจ้าเด็กนั่นต้องปิ๋ใช่ไหมหนึ่งจะสู้สี่ร้อยก้สิบเก้าได้ยังไงใช่ไหมพอหลวงพ่อลืมตามาหลวงพ่อบอกว่าเอาละตามที่พวกเธอยื่นข้อเสนอมานะว่าเจ้าเนนรูปนี้เนี่ยไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วสร้างแต่เรื่องเส็มเตียให้วัดของเรา พวกเธอบอกว่าถ้าไม่เอาแนรุ่นี้ออกพวกเธอจะออกฉันขอแจ้งมติให้ทราบว่าฉันยินดีให้พวกเธอออกจากวัดไปทั้ง499คนที่ประชุมคร้งฮือเลยนะหลวงพ่อคิดผิดคิดใหม่นะครับหลวงพ่อบอกว่าพวกเธอ499คนถึงอย่างไรก็รู้ดีรู้ชั่วร์ปกครองตัวเองได้หมดแล้วแต่เจ้าเนรุ่มนี้ อะไรดีก็ยังไม่รู้อะไรชั่วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเขายังต้องอยู่กับฉันฉันจะสอนเขาเองนี่คุณพ่อคุณแม่คิดให้ดีนะคุณพ่อคุณแม่มักจะคิดว่าลูกที่เกเรที่สุดเนี่ยต้องตัดหางป่อวัดใช่ไหมแล้วเอาลูกที่ดีที่สุดไปแต่บางทีลูกที่ดีที่สุดปล่อยไปเถอะเขาเอาตัวรอดแล้วเอาที่เกเรที่สุดนั่นแหละให้มาอยู่กับเรา เราจะได้ปั้นเขาเราจะได้สอนเขาใช่ไหมแต่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงที่เกเรที่สุดที่อันตรายที่สุดเนะที่น่ากลัวที่สุดเอาไปไหนเอาไปวัด <c oughs> พอเดือนเมษาทุกปียมมาหาตมาละเอาสังฆทานใหญ่ๆเลยเนอะโอ้โหบางทีเราเห็นสังฆทานแล้วอมไม่ทำบารดาวะเนี่ยโอ้โหดูดูของแต่ละอย่างที่จะเอามาถวายสิ ขงดีทั้งนั้นเลยนะพระอาจารย์มีพระมพลมไหมเจ้าคะนะพระอาจารย์อยากจะให้สร้างห้องสมุดให้สักหลังไหมเจ้าคะขาดหรืออะไรก็บอกนะเจ้าคะอาตมานึกเลยแต่ว่าทาไมมันใจดีจังเลยเนะี่ยสักพักหนึ่งเริ่มเริ่มเปิดการขายละคืออยากจะให้ลูกโยมมาอยู่กับพระอาจารย์สักเดือนหนึ่งเราก็คิดแล้วจะมมาอยู่สักเดือนหนึ่งนะเป็นยังไงนี่เรียนดีไหย อันไปกระเซาะ พ, พ, พ, พ่อพ่อพ่อบอกพระอาจารย์สิพ่อก็บอกแม่พูดเองสิคุยไปคุยมากลายเป็นว่าเป็นลูกที่แย่ yeah! ที่สุดเลยแล้วก็จะมายกให้พระเลี้ยงอาตมาบอกโยมวันนี้อาตมาเจอมาสิบรายละและแต่ละคนยังกระโจนอ่ะถ้าอาตมารับมาบวทั้งหมดนะวัดอาตมาเป็นชุมโจรเลยเห็นไหมนี่คือคุณพ่อคุณแม่มักจะคิดอย่างงี้นะ ลูกที่เกเรที่สุดอันตรายที่สุดสอนไม่ไหวที่สุดอยากจะไปยกให้คนอื่นหมดภาระไปใช่ไหมแทนที่จริงเอามองกลับกันได้ไหมว่าลูกที่ไม่มีปัญหาแล้วปล่อยให้เขาไปสร้างเหนื้อสร้างตัวเองได้แต่ถ้าจะมีปัญหาให้อยู่ใกล้พ่อแม่ที่สุดน่าหนาเป็นเพราะว่าบางทีเราให้เวลาเขาน้อยไปใช่ไหมเรารักเขาน้อยไปเราให้เวลาเขาน้อยไปเราเราลองเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูแบบนี้สิอย่าเพิ่งผักภาระไปให้ทะ อย่าเพิ่งผากพาระไปให้คนอื่นลองให้เขาอยู่ใกล้เราที่สุดแล้วหาวิธีสอนเขาเขายังไม่รู้ดีไม่รู้ช่วต้องทำให้เขารู้ให้ได้แล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านทำยังไงท่านบอกว่าพวกเจ้า499คนจะไปก็ไปเถอะแต่เจ้าคนนี้ต้องอยู่กับฉันและหลวงพ่อก็เริ่มทำวิจัยว่าเจ้าเด็กคนนี้ชอบไหนเที่ยวตอนไหนทำวิจัยในสมัยโน้นมันไม่ไมไ ม, ไม่มีกล้องวงจรปิดนะนะ หลวงพ่อก็ตามดูตามรู้มันไปจนคนพบ ว, ว่ากอ๋อกลางคืนมันชอบกระโดดกำแพงตรงจุดนี้เวลาไปกระโดดกำแพงเนี่ยโยมต้องเอาบันไดาพาดใช่ไหมบันไดาพาดตรงจุดนี้แล้วก็กระโดดลงฝั่งนู้นคืนหนึ่งในฤดูหิมะเจ้าเนนน้อยรูปนี้หนีไปเที่ยวแล้วกลับมาตี๊ยงหลวงพ่อนอนเตี๊หัวค่ำพอตี๊ยงหลวงพ่อตื่นหลวงพ่อไปยืนตรงจุดที่เนร น, น้อยปีนออกไปแล้วก็ปีนกลับเข้ามา พอเตสองได้ยินเสียงกแกลบแกลบมานะหลวงพ่อหยินบันไดออกแล้วเป็นยืนกอดอกเท น, นเนรก็ปีนมาจากข้างนอกเลยนะปีนเข้าบันไดมาท้าก้าวแรกปกติมันจะเหยียบแแมลงไปบนบันไดขั้นแรกใช่ไหมอันนี้มันเหยียบปุกลงไปบนหัวหลวงพ่อทําคอแข็งเลยนะมันเหยียบปุลงไปบนหัวท่าก้าวที่สองเหยียบแมะลงมาบนไหลเอ๊ะ มันยืนยนนะรู้สึกยืนยนเจ้าแนนนี่ก็เลยหันไปมองอะไรนี่มันไม่ใช่บันไดนี่วะเลยกระโดดลงจากไหล่ลงมาปุ๊หกล้มลงไปหันมามองหลวงพ่อเจ้าว่าเดินผ่านไปลูกกลางค่ำกลางคืนเห็นมหตกหนาวนะลูกนะห่มจีวรห น, น, นาหล่ะที่หน้าที่หลังจะไปเอาเอาผ้าห่มไปด้วยล่ะลูกเชื่อไหม วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเห็นเนนน้อยอุ้มบาตรไปเบนะบาตกลับมากวาดวัดตั้งจิตตั้งใจเรียนหนังสือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนนน้อยไม่เคยกระโดดกำแพงออกไปเที่ยวอีกเลยประสบความสำเร็จไหมสุดยอดของการสอนบางครั้งไม่ได้เกิดจากการแนะนำพร่ำสอนแต่บางครั้งเกิดจากการกระตกให้คนคนนั้นรู้ว่าเขากำลังทาอะไร นอกลู่นอกถามเราสอนสอนสอนอัดจากข้างนอกเข้าไปข้างในบางทีเขาไม่สนใจนะเหมือนเราเอาอาหารที่ดีที่สุดให้คนที่ไม่หิวเขาจะรู้สึกบุญคุณเราไหมเขาไม่เคยรู้สึกนะแต่คราวนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนหลวงพ่อแค่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเนนมันเหยียบหัวลงมามันเหยียบไหลลงมาพอมันกลับไปนอนคืนนั้นคุณยมคิดว่าเนนจะคิดอะไรฉันพิงเหยียบหวัวหลวงพ่อจะอาว่า แลเหยียบไหลท่านด้วยถ้าความลับนี้รู้ออกไปตายแน่ฉันฟังเรื่องชีวิตแน่แนเลยคิดอยู่นะสมัยนั้นยังไม่มีคลิปนะเออถ้ามีคนถ่ายคลิปวัเน้นเน้ น, นยเหยียบหัวหลวงพ่อเจ้าอาวาสเอาไปแฉในยูทูบละเนนก็คิดทั้งคืนเลยใช่ไหมเกิด ค, ความละอายแก่ใจตั้งแต่นั้นมาจะปีนบันไดออกไปเมื่อไหร่ภาพนั้นก็เวียนกลับมาฉันเคยเหยียบหัลวงพ่อเจ้าอาวาสโอชีวิตบัตทบ ส่วนเยอดของการสอนก็คือการสอนด้วยความรักความรักเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณพ่อคุณแม่ชอบใช้วาจาก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงตบตีลูกจากนี้เป็นต้นไปลองดูสิลองใช้ความรักได้ไหมเหมือนพระอาจารย์ท่านนี้ท่านใช้ความรักท่านบอกว่าลูกกลางค่ำกลางคืนนาะยเหี่มะตกอย่างเนี้หนาวนะลูกนะคือแทนนี้เรื่องจดานะคุณยอมนะวาจามันเต็มไปด้วยความรัก แต่ถ้าเด่นหัวหลวงพ่อจเจ้าว่าลงมาแล้วหลวงพ่อจเจ้าว่าชี้หน้าว่าแกรู้ไหมแกทําอะไรอยู่เนรน้อยอาจจะลุกขึ้นแล้วก็ชกหลวงพ่อจเจ้าอาวานะโทษฐานมารู้ความลับใช่ไหมดีไม่ ด, ดีอาจจะเอามีดเสียบคุงนะแต่พอท่านพูดไปทางหนึ่งว่าลูกระวังตัวนะเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นไอล่ะนี่เห็นไหมคุณดกความรักนั้นมีพ้าหลังมากฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะนํามาเปลี่ยนแปลงลูกหลานของเรา ก็เช่นเดียวกันอีกวัดวัดหนึ่งมีวัดอีกวัดหนึ่งก็มีคุณโยมคนหนึ่งไปให้หลวงลุงสอนหลานคุณแม่คนนี้มีลูกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นประมาณมัธยมปลายสอนยังไงไม่ฟังเลยนะชอบนี้ไปเล่นวิดีโอเกมตลอดเลยคุณแม่ก็เลยไปหาหลวงลุงบอกว่านี่หลวงพี่สอนมาหน่อยเถอะฉันสอนยังไงก็เอามันไม่อยู่ละ วันหนึ่งหลวงลุงก็เลยมานอนที่บ้านจะหาวิธีสอนหลานหลวงลุงมานอนที่บ้านเจ้าแม่ของหลานก็รู้ว่าหลวงลุงจะสอนอะไรพราะกลวว่าหลวงลุงไม่สอนอะไรเลยทั้งคืนนั้นรุ่งเช้าจะกลับวัดหลวงลุงเดินงงเงินเงินหูตาฟ้าฟังจะกลับวัดก้มลงใบจะสวมรองเท้าฟัง จะหนูมันเห็นอาการงกงกเงื่อนเงืนของหลวงลุงนะมันเว่งมามาช่วยสวมรองเท้าให้หลวงลุงหลวงลุงก็ถืออาการโลกหลังสักพักหนึ่งน้ำตาหลวงลุงก็ไหลเพาะเพาะเพาะเปื้อนท้ายถอยเจ้าหลานลักลงมาแล้วน้ำตาก็ไหลหยดลงไปจนถึงบนฝา่ามือของหลานรักซึ่งกำลังสวมรองเท้าฟางให้กับหลวงลุง ลุงลงก็เลิหลังโลกลุงแก่แล้วนะลุงนี่เป็นพี่ของแม่เจ้านะแม่ของเจ้าก็อายุก็ไม่เดียงหามจากหลงลุงนะนี่หล ง, ล, งลุงกมสวมของเท้าเองก็ไม่ไหวละแก่เต็มกลืล้ะยังไงลุงก็ฝากแม่ของเจ้าไว้ด้วยก็แล้วกันนะเอาแล้ววันนี้ลุงก็จะกลับละ คนแก่ก็อย่างเนี้นยพูดเสร็จแล้ำทานไหลพอพอพอพอเองนะกลับวัดไปเจ้าหนูนี่สะเทือนใจมากที่ได้สัมผัสถึงน้ําตาอุ่นๆของหลวงหล ง, ลงและตอนนี้เขาโก้มลงสวมรองเทาง้าให้หลวงเขาก็ได้เห็นผถียวหนังเหยียวย่นของหลวงหล ง, ลงแล้วเขาก็โยงกลับมาอย่างแม่ของเขาแม่เป็นน้องของหลวงหล ง, ลงแม่ก็แก่เหมือนกันแล้วนี่เราทํายังไงกับแม่เนี่ยทุกวันนี้ พราเอาใจเที่ยวตั้งแต่วันนั้นเจ้าหนูคนนี้เลิกแกเรแล้วกลับมาผลใ น, นบัตรพัดวีคุณแม่อย่างดีเพราะอะไรเพราะเขาเกิดได้คิดขึ้นมาว่าลุงกับแม่ไม่ได้หางกันเดี๋ยวแม่ก็แก่แล้วพลิกขึ้นมาเป็นคนดีทําตาเห็นเลยทีเดียวคนยอมเห็นไหมนี่เรียกว่าศิลปะแห่งการสอนโดยการใช้ความรัก ความรักจึงมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนั่ในห้องนี้คุณโยมเคยย้อนกลับไปมองวิธีสอนลูกสอนหลานของเราไหมว่าเราใช้อะไรใช้ลูกหยอใช้กอไผ่ใช้น้ำร้อนใช้น้ำเย็นใช้กลมใช้เกลี้ยงใช้เลี้ยงใช้ดูกับลูกๆของเราไหม ถ้าเราใช้ทุกวิธีการแล้วไม่ได้ไม่ดีขึ้นลองใช้ความรักนะคุณโยมนะอาตมาภาพโชคดีเหลือเกินตอนเป็นเนน้อยอยู่ต่างจังหวัดพระประชาของอาตมาบินทบาททุกเช้าเลยในยวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาฉันพรตาหารที่โรงครัววัดของเรานั้นจะฉันพร้อมกันทั้งวัดประมาณแปดโมงสายดองแล้วเนี่ยลุงพ่อก็ยังไม่มาฉันรุ่นพี่ก็เลย ส่งตัวแทนไปเจราจากับหลวงพ่อที่กุติหลวงพ่อครับนี่มลฉันเช้าครับถ้าทางวัดรอหลวงพ่อมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับหลวงพ่อบอกว่าโลกวันนี้ให้ฉันกันไปเลยนะเช้านี้หลวงพ่อไม่สบายไม่ได้ไปบินทาบาทในเมื่อไม่ได้ไปบินทาบาทหลวงพ่อก็ไม่ไปฉันหรอกหลวงพ่อจะฉันเฉพาะข้าวที่หลวงพ่อบินทาบาทได้เท่านั้นคุณยมเชื่อไหมมันเกิดอะไรขึ้น ตั้งแต่นั้นมาพาชุรุภูออกบินระบาททั้งวัดเลยไม่มีรูปไหนนอนตื่นถายสุดยอดการสอนก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงแต่การใช้ความรักการสร้างแรงบันดาลใจอาตมาภาพเองเติบโตมาในวัฒนธรรมแบบนี้ตอนที่อาตมาเป็นเด็กอาตอมานอนกลางระหว่างพ่อกับแม่จนถึงชั้นป .6 นะคุณผมนะตามานอนกับพ่อกับแม่แม่ตามามีวิธีสอนที่ ที่เรียกว่ามีกุศโลบายทําให้แตามามาบวชนะทุกวันนี้นะเวลาตื่นเช้ามาแม่จะตืน่นตีห้าวิธีปลูกลูกของแม่นะแม่จะไม่บอกว่าตื่นเถอะลูกช่วยแม่เข้าครัวถ้าเรียกอย่างเนี้ยคุณเชื่อไหมลูกจะตื่นไหมไม่มีทางแม่ได้กินหรอกเนาะแม่จะมาตื่นมาแล้วแม่ก็จะบอนว่าเอยลูกฉันมันก็มีทั้งหลายคนตอนนี้มันก็เหลืออยู่กับฉันคนนึง มันจะได้ดังใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกวันนี้มันก็ไอ้เนี่ยอยากให้มันตายมันก็ไม่ตายอุ้ยเหนื่อยนะพูดได้ครึ่งคำอตาตมาก็งุนหงิดแล้วคือเราฟังท่านบน่นใช่ไหมงุนหงิดแล้วจะดีดถึงเลยนะแล้วเดินจึงจึงจึงึก่อไฟเข้าครัวอตาตมามารู้เมือ่ออาตมาโตแล้วอะวันนี้คือสุดยอดกุศโลบายของแม่นะเห็นไหม วิธีสอนของแม่คือแม่ไม่ใช้ตรงๆนะแม่ใช้วิธีเรียบเคียงข้างๆหรือครั้งหนึ่งที่แม่อยากให้ตมาตักบาตรคือตอมากลัวที่สุดเน่ะกลัวการตักบาตรกลัวพระมากวันหนึ่งตะมา ก, ก็ก็เห็นว่าข้าวถูกคดมาวางอยู่ในจานแล้วตะมามาก็มองไม่เห็นแม่พ่อก็ไม่อยู่พี่ก็ไม่อยู่แม่อยู่ในครัวพระมายืนอยู่สี่รูปเอาแล้วเหรือเรารูปเดียวหรือเราคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยพระมาแล้วแม่บอกว่า มาก็เป็นตักบาตรี่แล้วทำไ ม, มไม่เมตตาอะไม่ยุ่งไม่เห็นเหรอไม่มีใครอยู่ทั้งบ้านแล้วสุดท้ายอาตมาก็ถือข้าวในจานลงไปตักบาตรตัวสั่งงินงบอยู่นะคุณโยมนะเอาข้าวบรรจงบรรจุลงไปในบาตรของพระทีลารูปเทลารูปเทลารูปเทลารูปจันท์นั่งรับพรพระก็ให้ให้พรยะถาสัีเ วันนั้นเป็นวันที่จะมารู้สึกดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและนับแต่นั้นทุกครั้งที่ตักบาตรอาตมาสัมปทานคนดียคุณยอมเห็นได้ย่างแม่มาเล่าทีหลังว่าถ้าแม่ไม่ทําอย่างนี้นะแกก็ไม่ตักบาตรหรอกคุณยอมเห็นไหมนี่คือกุศโลบายของแม่ที่เรามารู้ต่อเมื่อเราเราชื่นชมธรรมะพระและวัดจนกระทั่งได้มาบวชในพระบวัพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแม่ ได้สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้เรามีแนวโน้มที่จะสนใจพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเด็กผู้คืนก่อนนอนแม่จะสวดนมนต์นะสวดนมนต์แล้วเราก็สวดตามวันไหนไม่ได้สวดเนี่ยนอนไม่หลับนะตะขันตะคอเพราะอะไรเพราะแม่พาทะจกนกระทั่งอาตมาบวชได้ไปเรียนธรรมสมประโยชน์อาตมาเริ่มแปลภาษาบาลีออกแล้วอาตมาถึงรู้ว่าที่แม่พาสวดนนะ่ะบาลีผีบอกทั้งนั้นเลยผิดบ้างถูกบ้างไม่ไม่ตรงวิทยากรสัก อ, อันเลย แต่เม่สดของแมฆมานะเออเช่นบาลีที่บอกว่าที่ตั้งมาตั้งมาตังที่กูจะนังพูดทางสนาังคะฉามิเนี่ยเออมันมันขังนะมันมีเสรานังคะฉามิแต่ไอคําข้างหน้าคือที่ตังมาตั้งที่กูจะนังเนี่ยที่ตังมาตังมาตั้งที่กูจะนังก็คืออะไรราชบัณฑิตคนหนึ่งแปลว่าที่ตั้งมาตั้งก็คือที่ตั้งไม่ตั้งเออมาตังที่กูจะนังคือมาตั้งที่กูจะนั่ง นี่ดูสิแล้วให้มันเป็นบาลีก็คือสาระนังขาฉามิมันก็เป็นบาลีแล้วใช่ไหมนี่แหละแล้วก็โตมากับแม่อย่างนี้คุณยมเห็นไหมว่ากุศโลบายในการสอนลูกของแม่เป็นยังไรแม่แม่ไม่ได้จบสูงแต่แม่มีความรักที่สูงส่งมากในการที่จะสอนลูกดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ลูกหลานมากันเยอะเนี่ยนะ เราลองกลับไปพินจพิพจารณาดูซิว่าเออนะฉันเป็นพ่อเป็นแม่แบบไหนนะพ่อแม่แบบแบบมานที่ล้างผ่านลูกพ่อแม่แบบเป็ดที่ให้กําเนิดลูกแต่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แบบไก่ที่กล่อมเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีหรือพ่อแม่หัวใจพระผู้ดีสั์ที่ไม่เคยปฏิเสธลูกเลยถ้าเราเป็นพ่อแม่แบบมานพ่อแม่แบบเป็ดก็ขอให้เลิก แล้วหันมาสมทานการเป็นพ่อแม่แบบไก่พ่อแม่แบบหัวใจพระโพธิสัตว์แล้วก็พัฒนาวิธีการเลี้ยงลูกแบบกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะถ้าสอนทุกวิถีทางแล้วเอาไม่อยู่อย่าเพิ่งไปยกให้พระนะไ <c oughs> ม้เด่นสุดท้ายที่คนพ่อคุณแม่จะนํามาใช้ในการกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกให้ดีก็คือพลังแห่งความรักอัตมาภาพประจักษ์มากับตัวเองแล้วว่าถ้าลูกรู้ว่าพ่อแม่รักลูกจะไม่กล้าทําชั่ว ถ้าลูกรู้ว่าพ่อแม่รักลูกจะไม่กล้าหักหาน้ำใจพ่อแม่ถ้าลูกรู้ว่าพ่อแม่รักลูกจะไม่กล้าทำให้พ่อแม่น้ำตาตกพลังแห่งความรักนั้นมันมีปาฏิหาริมากหากคุณพ่อคุณแม่สอนลูกโดยวิธีการทั้งหมดแล้วไม่ได้ผลขอให้หันกลับมาใช้ความรักเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรักก็จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะ ที่ได้นำเอาเด็กเกยาวชนลูกหลานของเรามาฟังธรรมในบรรยากาศแบบครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุการให้เราทั้งหลายนำอาปติธรรมคำสอนนี้ไปปรับประยุ์ใช้ให้ได้อภิชาติบุตมาเป็นยอดคนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรประเทศชาติและโลกของเราให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ